การเจริญนรพวกเราคนที่นี่หลวงพ่อคุ้นหน้าเยอะเลยเจอกันบ่อยในคนในโลกเยอะแยะคนที่สนใจการปฏิบัติมีไม่มากมาอยู่ที่นี่ก็มา ก, กว่าวันนี้หลวงพ่อคงไม่เทศเยาวพวกเราฟังมาเยอะแล้วอยู่ที่การปฏิบัติแค่สรุป หลักของการปฏิบัติสั้นๆก็พอการปฏิบัตมิมันมีสองส่วนะส่วนของสมถะส่วนของวิปัสนาแต่เดิมคนจะทําแต่สมถะก่อนทําวิปัสนาไม่ค่อยมีนึกว่าทํำวิปัสนากันนะมันเป็นสมถะส่วนใหญ่เมื่อคนอไปรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามเป็นวิปัสนารู้รูปรู้นามไม่เป็นวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถึงี้เป็นวิปัสนา สมถานะั้นทำไปความสุขความสงบความดีก็เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าทำได้หลักของมันมีแค่ดเดียวยหลักของมันคือการที่เราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขและเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นกุศลอย่าน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อบกุศลธรรมชาติจิตเราเนี่ยจะเที่ยวหาความสุขตลอดเวลาที่มันวิ่งพล่านพลานไปวิ่งไปหา รูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวที่จะคิดจะนึกเลยเนะี่ยมันวิ่งไปหาความสุ ข, ข้งนั้นเลยแต่มันหาไม่ได้มันไปดูรูปมันนึกว่ามีความสุขว่าไม่มีวิ่งไปฟังเสียงนึกว่าจะมีความสุขก็ไม่มีวิ่งไปกินวิ่ง ไ, ไปน้อนวิ่งไปนี้วิ่งไปคิดอยากได้ความสุขแต่มันหาไม่ได้จิตก็เลยฟุ้งซ่านไปทางถะวรทั้งหกทายังไงจิตจะอยู่ ในอารมณ์เดียวไม่ฟุงซานหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมันอย่างเด็กมันสนจิตมันเหมือนเด็กซุกซนวิ่งพล่านๆไปหาที่ทุเที่ยวที่เล่นไปเราหาของที่มันชอบใจส่วชอบกินขนมชอบกินไอติมอะไรเงี้ยเอาไอติมมาล่อเด็กก็ไม่ไปสนที่อื่นมา น, นั่งกินไอติมสบายใจจิตนี้เหมือนกันต้องรู้จักหาอารมณ์มาหลอกล่อมัน เราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตชอบอย่าไปเลือกตามเพื่อนเเพื่อนเราเขาพุโทโธเราต้องพุโทโธเพื่อนเราหายใจเราต้องหายใจถ้าเราหายใจเราเครียดก็ไม่เอาไปหาอารมณ์อื่นต้องรู้จักเลือกต้องฉลาดไม่ไม่ทำกรรมาฐานตามคนอื่นไม่ได้กินห อ, อกอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะทาหายใจอนาปนาสติ ชอบลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจแล้วม่มีความสุขพอจิตมันอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็วิ่งไม่วิ่งไปที่อื่นที่อยู่กับลมนี่เคล็ดลับของการทําสมถนอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ที่มันมีความสุขไม่เป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเล่นไพ่แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีไม่สงบหรอกต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบ ก, ก็ได้ อย่าสัมมาลาหังนัมมาพาทะอะไรก็ได้ถ้าจิตมันชอบเคล็ดลับมันมีเท่านี้ถ้าเรารู้เคล็ดลับเรื่องการทําสมถะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วอย่างหายใจทีสองทีนะสงบแนละ้วเคล็ดลับของการทํำวิปัสสนาจะมีนิดเดียวนะให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีเท่านี้เอง ใครจะใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิใช้สมาธิกับปัญญาควบกันจะใช้วิธีไหนจะใช้ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมใช้วิธีไหนก็ตามนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกเนี้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางความจริงคือใจรักก็เห็นใจรัก์ของกายของใจถึงเป็นมิปัสนาเคล็ดลับมีเท่านี้เอง ในธรรมะวิธีปฏิบัตินะทั้งเยอะแยะอย่างสมถะในตำรามีทั้งสี่สิบวิธีเนคะล็ับมันก็มีอันเดียวแน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องมีปรัสนาก็มีทั้งเยอะแยะฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมทำสมาธิก่อนเจริญปัญญาทีหลังเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดทีหลังสมาธิกับปัญญาควบกันมีทั้งเยอะแยะหลายวิธี หลักมีอันเดียวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือเคล็ดของวิชานะสําหรับตาําราสมถะสี่สิบวิธีเขาก็เรียนกันอยู่นี่ปรัชนากรรมฐานนะั่นก็เรียนกันอยู่เยอะแยะในตํำรานะักธรรมเอกนี่มีหมดเลยที่หลวงพ่อสอนเนะี่ยแต่ไม่ได้เคล็ดวิชาคล้ายๆมีคำพีนะแต่ไม่ได้เคล็ดวิชาฝึกวิทยายุทธ์ไม่สําเร็จแค่นั้นเอง จาสําหรับตํารามหาศารมากมายย่อลงมาแล้วเหลือเท่าที่หลวงพ่อบอกนี่นะถ้าได้ตัวนี้ต้องง่ายมากเลยอันแรกเลยเราต้องมีสติรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้มีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่มีสติเพ่งกายเพ่งใจแค่รู้กายรู้ใจแล้วก็ไม่ใช่ลืมกายลืมใจถ้าลืมกายลืมใจก็ไม่ใช่รู้เพ่งกายเพ่งใจก็ไม่ใช่รู้ รู้เนี่ยมันไม่ใช่เผลอไปไม่ได้หลงไปคิดไม่ได้เผลอไปไม่ได้เพ่งเอาไว้เอาแค่รู้แค่เห็นตามความเป็นจริงถ้าใช้ศัพท์ให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าเรียกนะไม่ใช่้ามารู้หรอกครับใช้คำว่าเห็นมีปััสนาว่าการเห็นแจ้งปรัสนาว่าการเห็ น, นเราต้องเห็นจริงๆเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมยเีเป็นมิปััสนา อย่าไปดูทอ้องพองยุบนะเห็นทอ้องพองเห็ทนท้องยบยังไม่เป็นวิปัสนาจะเห็นร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเ ป, เป็นทุกข์เป็นธาตุเป็นขนันเป็นก้อนวัตถุอะไรนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาท่านนี้ทีเป็นวิปัสนาดูจิตก็ไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งดูจิตยังไม่ได้ไปเพ่งจิตดูกายก็ไม่ได้เพ่งกายให้รู้ให้เห็นอย่างที่เขาเป็นแค่นั้นเองเคล็ดลับมัน ถ้าเราเข้าใจเคล็ดลับที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่เฉียงกันเลยว่ากรรมฐานอะไรดีกว่าอะไรพูดแต่แต่เปลือกว่ารูปแบบแบบไหนดีกว่าแบบไหนไม่มีแบบไหนดีกว่าแบบไหนหรอกมันจะว่าใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแต่เคล็ดวิชาต้องถูกจะจะหายใจเข้าหายใจออกทํำวิปัสสนาก็ได้ดูท้องฟองยุบทํำวิปัสสนาก็ได้ดูจิตทํำวิปัสสนาก็ได้ดูเวทนาทํำวิปัสสนาก็ได้ แต่ต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวที่ขาดกันอย่างร้ายแรงเลยไม่ได้ขาดตัวสตินะพวกที่ฝึกสมาธิทั้งหลายเนี่ยมีสติดีนะจ่ออยู่กับลมไม่ลืมเลยจ่ออยู่กับท้องไม่ลืมเลยมีสติจริงสิ่งที่ขาดร้ายแรงที่สุดหนึงขาดจิตที่ตั้งมั่นใลเป็นกลางจิตไม่มีความตั้งมั่นเกือบร้อยลร้อยเลยเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศ ท, ที่เชียงราย มีพระมาส่งกัดบ้านเยอะแยะเลยหลายสิบองค์ส่วนใหญ่จิตไม่ตั้งมันทําก็สมาธิทำสมาธิเคลิ้มเคลิ้มสมาธิสงบสงบแต่จิตไม่ตั้งมันจิตที่ตั้งมันนะ่นมันถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดนะมันรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ตื่นที่หลวงพ่อบอกก็ตื่นตื่นจิตของเราไหลไปในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืน จิตเวลาจะไปดูลมหายใจนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจะไปดูท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาสมัยก่อนหลวงพ่อ เ, เข้าวัดเมื่อสามสิบปีก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่โรองคนะ์ท่านสอนคำว่าผู้รู้สอนให้มีจิตผู้รู้ให้มีจิตผู้รู้แต่ก่อนเน้นตรงนี้กันเยอะเลยหลังๆนี้ลืมไปแนะ หลงังๆนะแต่นั่งสมาธิเคลิมเคลิมเห็นโน่นเห็นนี่วิเศษวิสุทธ์อะไรนะนั่งสมาธิเห็นโรกเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยเราพ่อเห็นนั้นแต่เจ็ดขวบไม่เห็นจะพ้นทุกข์ทาไหนเลยไปเห็นสวรรค์อเทวดามันก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยทนั่งสมาธิอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรตัวสมาธิที่สําคัญคือความตั้งมั่นตามศัพท์เนี่ยสมาธิก็แปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบ จิตของเราไม่เคยตั้งมั่นม่เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดเลยเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ท้องของยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้านั่งเฉยๆคิดเรื่องน้นเรื่องนี้จิตไหลไปในความคิดจิตนี้แต่เคลื่อนไปตลอดเวลาเลยหลวงปู่ดูลเรียจิตออกนอกจิตมันเคลื่อนตลอดเวลาจิตที่เคลื่อนอยู่เนี่ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ในหลวงพ่อฝึกท่าสมาธิมานะแต่เจ็ดขวบนะอายุยี่สิบเก้าถึงเจอครูบาอาจารย์สอนให้เดินปัญญาหลังจากนั้นนะพยายามฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้นะเพื่อจะเดินปัญญาได้ทั้งวันทั้งคืนฝึกด่วยจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันได้หลังๆครูบาอาจารย์บางองค์หลวงปู่สิมท่ามผับหลวงเจอหน้าหลวงพ่อเนะ่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายาหลวงพ่อไปนะผู้รู้ผู้รู้ ถ้าไม่รู้จักชื่อถ้าเห็นหน้าถ้าเป็นผู้รู้ผู้รู้อย่างนั้นผู้รู้อย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ถ้าจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสังเกตจิตเราให้ดีมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันมันไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานทาไงจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดง่ายนิดเดียวรู้ทันว่าจิตไหลไปคิด รู้ว่าจิตเคลื่อนไปท่านนั้นเองจีก็จะดีดตัวตื่นขึ้นมาเลยออจิตมันดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิบานแล้วเราเป็นจุดตั้งต้นที่จะเดินปัญญาได้อย่างแท้จริงนะถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพมันจะไปเดินปัญญาไม่ได้ทุกวันนี้ที่เห็นๆนนะจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่เป็นผู้รู้จิตจิตผู้เพ่งกับจิตผู้คิดไม่เดินปัญญาไม่ได้ พยาามฝึกตัวเองนะให้จิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ตามที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นคือรู้อย่างที่จริงๆริว่าจริงๆเป็นยังไงดูร่างกายไปความจริงของร่างกายมีแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาความจริงของจิตใจมีแต่อนนี้จังทุกข์ังอนัตตามีเท่านั้นเองดูความเป็นไตรลษของกายดูความเป็นไตรลษ์ของใจได้ไปเราจะเห็นไตรลักษของกายของใจได้ถ้าจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปเไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์อย่างมากก่าเขาคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่เห็นหรอกตัวที่แตกหักเลยนะว่าเราจะได้มาผลในภานในชีวิตนี้หรือไม่อยู่ที่ว่าจิตเราตั้งมั่นหรือไม่ทั้งนี้เองถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนะดูกายมันทํางานไปถ้าจิตตั้งมั่นจะเห็นด้วยตัวที่ทํางานไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นแล้วดูจิตมันทํางานดจะเห็นจิตที่มันทํางานอยู่ไม่ใช่เราให้หลวงพ่อฝึก จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บริบาลฝึเนี่แล้วก็ดูท่าดูขันดูกายดูใจก็ทํางานได้ไปเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่และองค์แต่และองค์เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆแต่และองค์เก่งๆมากๆเลยหลวงปู่ดุลหลวงปู่เทศหลวงปูส่สิงห์หลวงตาอะไรใครๆเขากลัวครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อไม่เคยกลัวเลยถ้าอาจารย์มาหาบัวเราก็ไม่กลัวน จิตใจมันอง์อาจก็อาหารนะไม่กลัวใครหรอกธรรมะนั้น ม, นะมันแน่นอนอยู่ในใจจิตเป็นผู้รู้แล้วมาเห็นทุกอย่างมันทํางานได้พว mm hmm. กเราฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วขั้นสุดท้ายมาทํำลายตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องอาศัยตัวผู้รู้ไปก่อนเงานจิตมีแต่ตัวผู้คิดไม่สามารถจะเห็นความจริงได้ใครดูออกว่าจิตของเราเป็นผู้คิดบ้าง mm hmm. จิตทั้งวัน คิดไปเรนะื่อยคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ลืมกายลืมใจในปัจจุบันหลงไปคิดเมื่อไหร่ก็ลืมกายลืมใจเมนะื่อนั้นพอลงมือปฏิบัตินะไม่หลงไปคิดก็หลงไปเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งหเงหงากายก็นิ่งใจก็นิ่งธรรมะประณีตนะธรรมะเป็นของประเนีดลึกซึ้มจันทนรงค์เดี๋ยวพระกุศลนามบอกสงสัย หลวงพ่อใช้ศัพท์บางทีคําเดียวกันความหมายต่างๆกันเนี่ยสังขารเลยสังขารใจได้หลายอย่างคือศัพท์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำคำหนึ่งเนี่ยแปลได้หลายอย่างมันต้องดูบริบทมันว่าตรงนี้จะใช้แปลว่าอะไรอย่างสังขารนะถ้าเป็นสังขารขันนะก็คือความปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ว ถ้าไปมองในแง่ของสังขตะธรรมสิ่งที่เรียกว่าสังขารเนี่ยคลุมขันห้าทั้งหมดวิสังขารมีอันเดียวคือนิพพานสังขารที่คู่กับวิสังขารสังขารที่คู่กับวิสังขารคือขันห้าทั้งหมดไปสังขารแปลว่าตัวเจตนาก็ได้สังขารในปฏิจจสุบัติคือตัวเจตนาอวิชาปัจจญาสังขารานอวิชาทําให้เกิดเจตนา ที่จะทำบาปเจตนาที่จะทำบุญเจตนาที่จะน้อมจิตไปสู่ความว่างๆไม่ปรุงอะไรนี่ปรุงปรุงความไม่ปรุงถ้าสังขารพูดในเรื่องของการเข้าสมบัตินิโรธสมบัติก็มีสังขารสามอีกแบบเกณฑ์กายยะสังขารว่าจีสังขารจิตตสังขารกายะสังขารยู่ลมหายใจ วัจีสังขารคือวิตกวิจารณ์จิตตสังขารสัญญาและเวทนาทําให้เกิดความปรุงของจิตเวลาเข้าที่โรธสมบัติเนี่ยวัจีสังขารดับก่อนวิตกวิจารณดับก่อนเสร็จแล้วกายะสังขารดับลมหายใจดับแล้วถัดจากนั้นจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาดับเนี่ยอย่างคำว่าสังขาร น, นะแปลได้หลยอย่างหรืออย่างตัว โอวาทพระปฏิโมกไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้ผ่องแพ้วเวละหลวกพ่เ ข, เขียนในเรื่องของวิธีแห่งความรู้แจ้งหลวงพ่อพูดถึงว่าการภาวนาการปฏิบัติไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ไม่ทํำบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมแต่ต้องถึงขั้นทําจิตให้ผ่องแผ้ว ถ้จิตจะผ่องแผ้วได้นะก็ต้องไม่ทําบาปทั้งปวงนหะทํากุศลให้ถึงพร้อมนะจิตถึงจะผ่องแผ้วฟังแล้วเหมือนมีหลายงานะถ้าลงมือปฏิบัติจริงๆจะพบว่าถ้าไม่ทําบาปทั้งปวงนะกุศลก็ถึงพร้อมแนละ้วถ้าไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลถึงพร้อมนะจิตก็ผ่องแผ้วแล้วเป็นงานเดียวอนะบาปมีอะไรราคาตัวศาสต์โมหะตัวบาปตัวอกุศล กุศลเป็นอะไรอารโลพา อ, าโาอาาาาาัโทษาอามหะเงินละราคะโทสาโมหะได้กุศลก็เกิดแล้วจิตไม่มีราคะไม่มีโทษาไม่มีโมหะ ม, มีแต่อาโลพาอัโทษาอามหะจิตก็ผ่องแผ้วแล้วอย่งางธรรมะเนี่ยบางทีทำวมนเดียวกันนะถ้านอธิบาย ย, า ย, ายักย้ายแง่หมุนหมวกไปได้ตามคนฟัง สับแต่ละคำแต่ละคำเอาพวกเราใครจะคุยอะไรกับลพ่อว่ามา <c oughs> จะปฏิบัติหรือเปล่าล่ะ <c oughs> ธรรมะของสูงนะของสูงเราต้องเคารพพระธรรมเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมเลาต้องปฏิบัติด้วยความเคารพในธรรมะจริง ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมนะแต่ใจเราจะตามเออ ร, รมไปเรืนะ่อยตามโลกตามกฎ ต, ตามหลงไปเรื่อยเนี่ยถ้าจะปฏิบัติธรรมนะตั้งใจให้แน่วแน่นะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวคนที่ค้ามพบข้ามชาติได้เนะี่ยจะต้องมีบา ร, รมีถึงจุดที่ว่าสละชีวิตเพื่อธรรมะได้ังี้ยพระพุทธเจ้าหรือพระอราหันต์แต่ละองค์เนี่ยนะท่านสละชีวิตเพื่อธรรมะได้ บารมีที่เต็มขั้นถึงขั้นปรมาภะบารมีคือสละชีวิตเพื่อทำมาได้ทุกตัวเลยอย่างทานนบารมีท่านเป็นประเวสสันดรทานบารมีท่านสละว่าถ้าใครมาขอชีวิตท่านนะท่านจะให้ได้ศีลบารมีจะยอมตายเลยเพื่อรักษาศีลสัจจาบารมียอมตายเพื่อรักษาสัจจะ ในขัมมะบารมีนะยอมตายแล้วไม่ยอมครุกคลีกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกทรมารยังไงก็จะต้องออกจากกรามให้ได้ยิ่การปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามุ่งมั่นจริงเนี่ยต้องเด็ดเดี่ยวมากๆนะทำหย่อนหย่อนใหญ่ให ญ, ใหญโลโลเลยๆไม่ได้นะ ไ, ไม่ได้กินหรอกแล้วเราจะไม่เห็นความอัศจรรย์ของธรรมะไม่เห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า งั้นตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวไปต่อไปนี้นะรักษาศีลห้าให้เด็ดเดี่ยวจะตายก็ยังต้องรักษาศีลแล้วก็ต่อไปก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจหลงไปทั้งวันจิตใจเคลื่อนไปรู้ทันให้จิตใจมีรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกสบายๆพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะดูกายทํางานดูใจทํางานใจเราไปแค่คนดูถ้าเดินอยู่อย่างนี้ก็ไปได้ สู้ไหมใจฟอ่อมไหมนะอยากได้ทํามาจริงๆต้องสู้เอาไม่มีหรอกของฟรีเราเลือดเอาเนื้อแรกมานะทาํามะเอาใครจะคุยภรรยาตกใจ เนียโลกนี่เป็นอนัตตาแบบนี้นึกไม่ถึงเลยสามีจะทําอย่างนี้เขาหัดรู้บ่อยๆนะเห็นกิเลสไหมเวลาหมดหงิดเกิดเงี้ยเห็นไหมเออเห็นแล้วทําไงกับมันบางครั้งก็บางครั้งก็เหมือนแบบหมดหงิดอืเข้าไปกับมันแต่บางครั้งก็รู้สึกแล้วก็ช่วงหลังนี่รู้สึกว่า มันความงาหงุดหงิดมันก็หายไปไงค่ะคือจิตใจเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมั น, งนหงุดหงิดขึ้นมานะรู้รูทันรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราจะดูไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงะว่าจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้หรอกจิตเขาก็ดีได้นะเขาก็ชั่วได้สงบได้ฟุ้งซ่านได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรืได้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบนะ การฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานดีเหมือนกันแต่ดีในระดับสมถะกรรมฐานในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานเนี่นะเราจะให้เห็นเลยว่าจิตที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตที่ร้ายก็ไม่เที่ยงเมื่อจิตที่ดีจะจะเห็นจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตร้ายก็ไม่เที่ยงได้นี่ต้องมีจิตดีเกิดขึ้นนะถ้าจิตเราร้ายตลอดเราจะไม่เห็นเลยว่าจิตร้ายก็ไม่เที่ยงอย่างจิตของเราเนี่หลงตลอดแม้แต่เกิดจนตายน สัตว์โลกมนุษย์ทั้งหลายนี่หลงตลอดเลยหลงไปทางตาหูจมูมกนิ้นกายใจตลอดเวลาพวกนี้ไม่สามารถจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจได้ก็มาฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาเวลาที่เราฝึกจิตให้เป็นตัวรู้นี่ยไม่ใช่เพื่อจะรู้ตลอดเวลาเรามีรู้ขึ้นมาขั้นตัวหลงจิตกำลังหลงไปเรารู้ตัวขึ้นมานะตัวหลงก็ดับจะเป็นตัวรู้ตัวรู้อยู่ชั่วคราวนะก็หลงอีกตัวรู้ดับเกิดตัวหลง มันสลับกันไปเรื่อยระหว่าง ร, รู้กับหลงนี่ถ้ามันสลับบ่อยๆนะเราก็เทวเราได้เห็นความจริงบ่อยครั้งถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดไม่เที่ยงจะเห็นอย่านีแล้วก็บังคับไม่ได้ห้ามหลงมันก็ยังหลงสั่งให้รู้มันก็ไม่ยอมรู้ฝึกไปเพื่อจะได้เห็นใจลักของจิตเงั้นภาว น, นาไปเนี่ยนะเห็นเลยจิตดีบ้างร้ายบ้างอันนั้นทีแล้วที่เห็นอย่างนั้น พ้าภาวนาแล้วรู้สึกจิต ด, ดีขึ้นดีขึ้นดีลูกเดียวเลยมันจะเกิดสำคัญผิดว่ากูเก่งกูเก่งไม่รอนางกิเลสหรอกเพราะฉะนั้นอากุศลก็เป็นครูสอนธรรมะเราเท่าๆ ก, กับกุศลนั่นแหละแต่ว่าเวลาปฏิบัติเท้าปฏิบัติกุกศลเพราะกุศลกับอากุศลนะให้ผลที่ไม่เหมือนกันไปดูบ่อยๆนะใจมันมุนหญิดขึ้นมามุนหญิดขึ้มารู้ทันรู้ทัน ในชีวิตประจําวันมันเกิดเป็นอุปจาระสมาธิใชไหมครเช่นอนิกษสมาธิเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลาๆนาคืออุปจาระนะจิตมันจะส่งส่วนใหญ่จะจิตจะส่งอยู่ในปฏิภาคนีมิดแล้วนะจะไปอุปจาระอันนี้เราเรียกก็เรียกอนุโลมเอาถ้าจิตเข้าถึงปฏิภาคมืนกได้อุปจาระ รู้สึกไหมกําหนดจิตลงไปแล้วสว่างไหยนะสว่างนะทรงอยู่กับความสว่างนั่นแหละจิตทรงอยู่ในอุปจาระนี่อยู่ในอุปจาระแล้วถ้าจะเดินปัญญาเนี่ยก็เดินได้สังเกตไหมในความสว่างจิตใจเราก็ยังเคลื่อนไหวได้ก็ผุดสภาวะขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรไเห็นมันผุดผุดผุดขึ้นมาสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไปะถ้าเห็นอยู่เห็นนั่นก็ใช้ได้ เดินปัญญาอยู่ถ้าจิตไปจับเอาความสว่างนะกับปฏิภาสสว่างแล้วก็ค้างทรงเฉยๆอันนี้เป็นสมถะเฉยๆภานาต้องพนาอย่างมีความสุขนะอย่าให้เครียดนะพานาแเราเครียดนะัน่นภานาไม่ดีหรอกจิตที่เครียดเป็นโทสะมีโทสะให้โทสะมูลจิตจิตที่เครียดจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะไม่มีความเครียด เราพานาไปด้วยจิตใจที่สบายรู้ตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาหนีพ่คิดทร้บไหมเวลาจิตมันีไหลไปเรารู้ทันเราเอ๊ะฝึกต่อดีแล้วตั้งใจเด็ดเดียวด็อกเตอร์ธนรงค์ช่ใครจิตใจไปอยู่กับด็อเตอร์ธนรงค์บ้าง <c oughs> ผมวงพ่อครัผมทำงานมาน้วนงะานนั้นเข้าออวันที่กามันธรรมดาครับ ม, ม่มีแต่ความทุกข์มาบอกผมไม่ทงานของทุกข์อื่ผมทาเลยไาวภาวนานนะที่แรกหักใหม่จิตตั้งมั่นสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขนะรู้กายรู้ใจนานไปนานไปเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยแต่จิตจะเป็นกลางกับทุกข์ ถ้าเห็นทุกข์แล้วจิตทุรนทุรายก็ไม่ถูกงม้เราเห็นทุกข์ไปโลกนี้ทุกข์จริงๆไม่ได้มีสุขหรอกความสุขเป็นภาพลงตาก็ น, นานจะแตกจะหักกันนะความพบข้ามชาติเนี่ยจะรู้ในในสามโลกประทานไม่มีที่อย่างเท้าลงไปแล้วมีความสุขเลยของอาจารย์ต้องระวังอย่าให้มันชิดนำนะปัญญาของอาจารย์แหลม หลวงพอครับเวลาจะทุกข์นะคแม้แต่เป็นเรื่องของคนอื่นนะเขามาติดใจทุกข์นะครับเพราะนกขึ้นมาแว้งนีะ้จิตมันทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเป็นอย่างนั้นลจิตคิดนกปุงแต่งขึ้มานะจิตอยากจิตยืดจิตทุกข์เมื่อนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยคนะทุกข์าตายมมคอยรดมขอ แต่ทุกข์ทางใจเนี่ยเขามันทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงเขาทุกข์วางเฉยใช่ไหมเดาไม่ได้<ม>วางเฉยกับทุกนะเขาได้เจ้าสอนบอกทุกให้รู้เราก็ดูมันไปใครทุกข์ขันมันทุกนะจิตมันทุกใช่ไหมเราเป็นแค่คนดูดูอย่างสบายๆเราไม่ทุกข์กับมันหรอกดูไปดูไปจนเห็นโอ้จิตนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของนีเส้น ทุกไม่ได้มีเอไว้วางเฉยนะทุกมีเอไว้รู้อย่างที่มันเป็นส่วนการวางนั้นะจิตที่มีปัญญาแก่รอบแล้วเขาวางของเขาเองคือนที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของใจรักนะใช่อ่าสิ่ที่มันทุกข์ออใช่ก็เป็นาต้องดูอย่างนั้นใช่การดูเป็นอย่างนั้นหละจะเห็นเลยว่าแต่สุดท้ายนะจะเห็นได้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์รอบที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ตั้งอยู่ทุกข์นั่นแหละดับไปคือว่าตรงนั้นพระอาภัพทบอกว่านิผ่านเป็นอารมณ์สุดที่ไม่มีจิตไหจริงเพราะว่าี่ผ่านไม่ใช่จิตนี่จิตยังเป็นขันอยู่ถ้าเมื่อไรอาจารย์ภาวนานะจนถึงพระอรหันต์นะยังมีขันอยู่นะขันเนี่ยทุกข์นะ แต่จิตของพระอรหันต์เนี่ยพ้นจากความเสียดแทน น, นนั้ิพพานเลยมีสองอันนิพพานที่เรียกว่าสาุ ป, ปาทิเสสนิพพานเนี่ยเป็นแง่มุมที่ว่าจิตนั้นพ้นจากความเสียดแทนของความปรุงแต่งทางปวงส่วนนิพพานของพระอรหันต์ที่สิ้นขันแล้วเนี่ยเ ร, าารียก่าอนุปาทิเสสนิพพานฉะนั้นไม่มีขันสิ้นทุกดับทุกนั่นนิพพานเลยมีสองสเตปพระอรหันต์ยังมีขันอยู่เนี่ย จิตนั้นพ้นจากความเสียแทงเกิดพระอรหันต์ที่ตายแล้วเนะี่ยพ้นจากขันเพราะงั้นไม่มีไม่มีอะไรเสรียแทงได้ด้วยแล้วไม่มีขันที่ต้องเป็นภาระด้วยต้องฝึกนะชนใจอมันมันเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแต่ต้องไม่คิดนะ่นจันต้องเห็นจริงๆให้ซึ้งกระจายตัวนี้ละได้ถ้าเราคิดนําแม้แต่นิดเดียวนะั้นจะไม่ละ หวังไม่ได้วันนี้ผมก็พยาผก็รู้รู้แต่ว่าเางตัวครับของพ่อแมรู้สึกว่ามเราเหมืีมันเห็นมรู้ว่าเป็นแว๊บๆระมมันก็ไม่ัก็มไม่ีอะไรมากกาน้ารยเอะสว่าแต่คือสงสัยว่านอกจากนี้เราต้องทาอะไรให้มากขึ้นเราต้องทาอะไรเพิ่มครับเพราะว่าจิตฟุ้งซางไหมฟ้่านบ่อเออนะ จิตต้องสงบกว่า น, นี้หน่อยะถ้าจิตมันฟุงฟ้งๆไปมันดูได้ไม่ต่อนื่ลังเลงั้นดูแวบๆแล้วก็ทิ้งไปเลยดูบ่อยๆดูเรื่อยๆนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้านะเส้นทางของคนที่เอาจริงงั้นเราต้องเด็ดเดี่ยวจิตยังติดโลกอยู่ อย่าปิดโลกนะอย่ามาหลอกหลองอพ่อไม่ได้กินกนมบางคนจะมาถามอยากนี่ฟานอยากโน้อนอยากนี่นะจิตยังติดกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรเงี้ <y pt im> ให้รู้ทันไม่ผิดอะไรหรอกโดยเพศโดยวัยโดยอะไรของเราเพศคารวะโดยวัยยังหนุ่มยังสาวอะไรเงี้ยหลงโลกเรื่องธรรมดาแต่เราอย่าหลงเยอะแล้วกันคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆไว้ อยมัคลายออกเสียโรคได้ <Okay. S 1> เดี๋ยว <Okay. S 1> ยังไม่หายเข้าใจอ่ะเขายก็พยายามรู้ตัวองยิงในข้างมันขึ้นแล้วก็ชอออกจาถ้าสมมติเรลงโรกไปแลงวามอยากทไางโลกราก็ตัวอะไรต้องดูตัวแล้ว่าใช้สติปัญญาดูว่าสมควรทำก็ทำไม่สมควรก็ไม่ทำ อย่าให้โลกมันลากออาไปอย่าไปตามเพื่อนนะชอบตามเพื่อนไปไม่ได้เห็นไหมว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกัน <l ots> เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อันนี้มีไหมมีจิตที่เป็นคนดูไหมถ้ามีจิตที่เป็นคนดูแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ก็ใช้ได้มันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมตอนนี้เห็นไมตัวที่ไปยักหน้านย ร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเผลอเป็นส่วนใหญ่อย่าเผลอบ่อยนะจิตต้องมีเครื่องอยู่จะได้ไม่เผลอนานใครรู้สึกตัวอย่างร่างกายเคลื่อนไหวใครรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใครรู้สึกร่างกายเราปรกติเคลื่อนไหวตวลอดเวลาอยู่แล้วใครรู้สึกรู้สึกนะจะได้ไม่หลงเดี๋ยวนี้หลงไปล้ไอ้หนุ่มเนี่ยอย่ามารู้สึกตัวบ่อยๆนะ ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมคุณเนี้ยจิตเป็นแบบนี้ทั้งวันป่ะละเพี้ยนไปอย่าไปประคองจิตไว้ประคองมาร์กไปเพี้นเป็นธรรมชาตินะนึกถึงสมัยที่เรายัางพาวนามไม่เป็นนะจิตเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เราต่างกับคนที่พาวนามไม่เป็นนีดเดียวคนภาวนามไม่เป็นนะ่ะจิตมันเป็นไงไม่รู้หรือกายมันเป็นไงไม่รู้ ของเราเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ว่ารู้สึกด้วยใจที่สบายๆมือนคนอ้นพานาไม่เป็นยังสงสัยอะไรไหมอย่านี้แหละเรียกว่าจิตนอกนอกรู้ไหมว่าไม่ตั้งถ้ารู้ว่าไม่ตั้งมันใช้ได้นะไม่ต้องประคองถ้าประคองมันจะเป็นอย่างของคนมันจะแข็งๆมันจะเกินธรรมดา ต้องกลา้าหั่อยไปแล้วดูมันทำงานไปเห็นเลยมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกส่วนของคุณกับข้างกันสองคนนั่งอยู่ด้วยกันต้องกลับมารวมกันแล้วหานสอง <c oughs> คุณมันฟุ้งไปพยายามรู้สึกนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่รู้สึกไปจิตอะไรก็ได้แนละ้วแต่เราสะดวก เราลมหายใจเดินยากอย่าโมหะครอบนะโมหะมาง่ายดูร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตนี้ได้คิดทราบไหมไม่ผิดหรอกเวลาข้าสึกมันแข็งแรงแล้วหนีเข้าป้อมแต่ออกมาแล้วยิ่งกรุ่งเก่าเก่าะมไม่ได้แก้ปัญหาอะไร หนีไปชั่วครั้งชั่วคราวได้ก็ต้องแยกกันนะระหว่างปัญหากับความทุกข์นะปัญหาในชีวิตเราเนี่ยเป็นธรรมดาต้องมามีปัญหาตลอดเวลาแต่ความทุกข์มันเกิดจากใจเราไม่ยอมรับปัญหาใจเราอยากให้ไม่มีปัญหาอย่างโน้อนอย่างนี้ความทุกข์ก็เกิดเพราะอยากนะให้คอยรู้ทันใจที่อยากไหมอย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หาย หรือท่ันใจที่อยากนะความอยากดับไปความทุกข์ก็ดับไปเหลือแต่ปัญหาอันนี้เราจะใช้จิตใจซึ่งไม่มีความทุกข์จิตใจที่มีสติมีปัญญานะไปแก้ปัญหาเอาห น, นีไปชั่วคราวเดี๋ยวก็มาอีกมาแล้วมากกว่าเก่าอีกของคุณที่ใส่แว่นตาเนี้นะเดีย๋ยวไปประคอบจิตไว้ตลอดเวลานะ คนนี้นะแว่งเหมือนกันซิว่าทั้งนั้นเลยเขาบอกใส่เสื้อแขนยาวก็ยาวเหมือนกันด <c oughs> <c oughs> ีได้ใช่ได้ใช้กายก็ได้นะแต่สาคัญก็คือมีจิตเป็นคนดูแต่ตรงที่มีจิตเป็นคนดูเนี่ยเราต้องไม่เป็ประคองตัวดูไว้นะ <c oughs> ไม่ใช่ไปรักษาตัวดูไว้เดือดโดดเด่นอยู่ทั้งวันนตัวดูนี่เที่ยง เห็นแต่ของอื่นไม่เที่ยงแต่ตัวดูมันเที่ยงแตดูมันเที่ยงมันก็ไปสงวนขันบางขันเอาไว้ให้เที่ยงแล้วตัดไม่ได้ตัดเป็นพระโสดาไม่ได้ทำยากนะโดยนิสัยของคุณใจมันช่างคิดว่องแว บ, บ, บ, บไปนะหาหนังสือธรรมะมาอ่าน อ่านประวัติพระพุทธเจ้าประวัติภาสาเวกอะไรเงี้ยนะอ่านแล้วจิตใจล่าเรืองมีความสุขในความสงบพอเป็นได้จะเข้าฌานเข้าเชิญอย่างเข้าไม่ได้หรอ ก, กแต่วอกเว็ดเลยทำโน้ น, น, นยก่อนมันสุดตรงไปนะ <S <S ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหก็รู้สึก คือถ้าถ้าิ่งดิงเข้าไปดูอยู่ข้างในนะโแเน่งของหลวงปู่เาอ่ภาวนาิเป็นพุทธะเนี่คือผมแบบอยากจะถามว่าคุณชนคุณชนอยเราเนไมอสามารถทำกิตของเรา้เป็นได้ไม่ได้จิตคือพุทธะนันเป็นจิตของพระอรหันต์เรนั้นอย่างเราอ่านคำสอนหลวงปู่ดูลต้องระวังนะคำสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยมีหลายระดับ บางทีพูดถึงเหตุบางทีพูดถึงผลจิตคือพุทธะให้เป็นตัวผลแล้วขอเราต้องเจริญมัดจิตเห็นจิตอยากก่างแจมแจ้งดูจิตมันทํางานไปเห็นมันงั้นจิตเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่ได้ประคองจิตให้นิ่งให้หว่างหรือบางคนบอกหลวงปู่ ด, ดูลย์เคยพูดไว้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่หยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัอย่าง แล้วไปทําว่างสว่างบริสุทธิ์อันนั้นเป็นผลไม่ใช่เหตุพอเป็นพระอรหันต์แล้วจิตมันเป็นเองจิตคือพุทธะจิตคับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันมันเป็นเองนะแต่ไม่ใช่ภูมิของเราเราต้องทําเหตุไม่ได้ทําผลการทาเหตุนะนี่คือทาศีลสมาธิปัญญาไว้ศีลมีสติรักษาจิตเนี่ยจะไม่ผิดศีล สมาธิเนี่ยมีสติรู้ทานจิตที่ฟุง้งซ่านสมาธิจะเกิดมีปัญญาก็คือเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูเห็นจิตมันทำงานกายใจเป็นคนดูเป็นคนดูทั้งดูไปดูไปก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีดูต่อไปอีกก็จะเห็นเะ่ยกายนี้มีแต่ทุกข์ร้อนร้นจิตนี้มีแต่ทุกข์ร้นๆ้นก็จะปล่อยวาง เรเส้นทางเดินของพระละหันเนี่ยไม่ใช่การน้อมจิตให้ว่างอยู่ๆไปน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างนะมันเป็นความปรุงที่เรียกว่าอันเนชาที่สังขารอาวิชาพาให้ปรุงนึกว่าเป็นพระลราหันไม่เป็นหรอกทุกวันนี้คําสอนที่พาเราพาก็ออกนอกแนวทางของพระพุทธเจ้ามห้เยอะไปหมดเลยต้องระมัดระวังอย่างบางคนบอกว่าเรียนไปจากหลวงปู่ดุล น, นะ บอกว่าหลวงปู่ดูลสอนมาบอกว่าให้ประคองจิตให้ว่างความคิดนึกเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งรักษาจิตอยู่ภายในนิรันดรถามว่าหลวงปู่ดูลสอนอย่างนั้นไหมสอนแต่นั้นคือขั้นสมถะคําสอนอย่างของหลวงปู่ดูลหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมบางทีสอนอัตตาหีหัตโนนาโทมีหัตตานะทําไมบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตา คำสอนหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนะถ้าม่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสงบอยู่ภายในก็ไม่ให้จิตออกนอกฟุ้งซ่านไปนี่ขั้นสมถะบางคนหลวงปู่ดูลก็สอนบอกให้พุโทโธแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุดโทโธแล้วก็รู้ทานจิตที่เป็นคนรู้พุโทโธนี่ก็ได้สมถะกระจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันหลวงปู่ก็สอนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่สอนหลวงพ่อมีสมถะอยู่แล้ว หลวงปู่สอนให้ให้ดูจิตให้เห็นมันะดูให้อ่านมันให้อ่านจิตเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนะังสือนี้มีบทรักมีบทโกรธมีบทสุขมีบททุกข์เราดูมันไปเรื่อยเเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงที่แรกหลวงปู่บอกให้ไปดูจิตตัวเองหลวพ่อไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ไปประกอบจิตให้นิ่งแล้วก็จ้องมันไว้ทั้งวันอย่งนะี้นะท่านบอกทำผิดไะ มันถูกในขั้นสมถะนะพอถึงอีกจุดหนึ่งทำอย่างนี้ถือว่าผิดละหรือบางท่านไปถามหลวงปู่ว่าตอนตายจะทำยังไงถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่บรรลุพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนตายนี่ไปเสียง โ, งโยกสุดท้ายท่านบอกว่าให้ทำจิตนหว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่ยึดอะไรเลยตรงนั้นนะ นะถ้าทำได้ก็เป็นพระอรหันต์ไปทำไม่ได้ก็ไปเกิดอีกแต่ท่านก็ย้ำว่าทำได้ถ้าเคยทำหมายถึงต้องเป็นพระอริยะอยู่แล้วนะไม่ใช่ปูถุชนจะทำว่างสว่างทำไม่ได้มันไปนปรุงแต่งความว่างขึ้มามันคือของปรุงแต่งไม่ใช่ของจริงหลวงพ่อเคยตดนหลวงปู่บุญจันทร์ทำผาพึ่งจวบเอานะพระอาวนาตอนนั้นรู้สึก ทำมาทั้งหลายแบบแนละ้ mm hmm. กิเลสยังไม่หมดลองวิธีนี้ดูบ้างจิตกับผู้รู้ของคู่กันใช่ไหมบางทีส่งจิตไปดูตัวตัวอารมณ์จิตกับอารมณ์ของคู่กันทีเราไปดูอารมณ์จิตมันก็ไหลไปอยู่ที่อารมณ์พอดูตัวผู้รู้จิตมันกจับอยู่ตัวผู้รู้เนี่ยมันจับเอาที่ใดที่หนึ่งอยู่ตลอดนะถ้าลองไม่จับเลยจะเป็นยังไงส่งจิตไปดูอารมณ์นะส่งเคลื่อนไปจะกระทบอารมณ์นะถอยคืน คืนมาจะหาตัวผู้รู้พอเข้ามาใกล้ตัวผู้รู้นะไม่เอาตัวผู้รู้นะคืนไปหาตัวเรานี่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนะั่นดับลงตรงกลางเนี่ยจิตรวมลงตรงกลางโลกธาตุดับลงไปตรงนั้นไปนะเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวล้นล้วนยไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลยไอยตัวนี้นะมัง้งทางไปนิพพานยมมาา อ, อ, อย่างนี้จะดูไปดูไปนิมสมถะแค่ไปหาโลวงู่เทศบลวงปู่ผมจิตทําอย่างเนี้ย ถูกหรือเปล่ามันเป็นสมาธิใช่ไหมถ้าบอกเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วนะให้เล่นไว้ให้ชนานาญนะต่อไปจะได้รู้ค่อยมาเล่นอย่อยางเงี้ยนวะันนึงไปเจอท่านอาจารย์บูญจันทนระ์ทุกท่านด่าวท่านตะวดนะัดบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกท่านตะวัดสองทีนะจิตหลุดจากตรงนี้เลยไม่เอาแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ทาง เพันการที่เราจะแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วก็ไปอยู่กับความนิ่งความว่างนิพพานจอมปลอมนะนิพพานมีเข้ามีออกนิพพานไม่ใช่ของจริงดังนั้นเดี๋ยวไปแต่งเอาให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปปรุงแต่งเอาทุกวันนี้คําสอนมั่วๆวนี่เยอะไปหมดเลยหลวงพี่หลวงพี่ห้างหลวงปู่ดุลด้วยอ้างว่าท่านสอนอย่างนี้ก็ถูกท่านสอนอนี้สําหรับคนคนนี้เพราะคนคนนี้อยู่ในจุดตรงนี้ อย่างหลวงพ่อนะท่านฝึกกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวผู้รู้เนี่ยเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไปกลับท่านกลางสุดท้ายนะสามสิบหกวันก่อนท่านมรณะภาพท่านสอนสอนสอนจนค่ำเลยท่านหอบเลยเหนื่อยบบหลวงปู่เหนื่อยแล้วผมจะกลับลนะไม่จะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะจำไว้อีกนะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตอนอย่างนี้ให้จำเอาไว้ ทำไมต้องสอนให้ทำลายผู้รู้เราฝึกรักษาตัวผู้รู้อยู่เด่นตัวอย่างนี้ ร, รักษาตัวนี้ไปเรื่อยจะเป็นผีใหญ่เป็นผีใหญ่เป็นปลอมการสอนนี้มีเป็นขั้นเป็นตอนนะคำว่าสุดโตงหรือไม่สุดโตรงมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติแล้วรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่ อย่างคนบางคนนะเห็นคนอื่นเขาอดข้าวอดนอนแล้วภาวนาดีเขาไปอดข้าวอดนอนหวังว่าจะภาวนาดีอันนั้นเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกตึงเกินไปบางคนเขาอดข้าวแล้วสติเขาเกิดบ่อยอดนอนแล้วสติเขาเกิดบ่อยะจิตใจดำเนินได้ดีอันนั้นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาของเขาเพราะฉะนั้นทําในสิ่งเดียวกันนะบางคนเป็นทางสายกลางนะบางคนตึงเกินไปเราต้องดูว่า ถ้าเราทำอย่างนี้ข้อวัดแบบนี้แล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญาของเราเกิดไหมถ้าเกิดก็ไม่ใช่ตึงไปแต่ถ้าเป็ดตะบีตะบันทมหวังว่ามันจะดีนะตึงเกินไปในศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่งนะชื่อพระนารักกะพระนารักกะนี่ไม่ธรรมดาเลยเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกๆเลยก่อนพระมุคลาสาลิบุตร ท่านปฏิบัติเรื่องโมนยะปฏิปทาปฏิบัติข้อวัดซึ่งในศาสนาเนี้มีองค์เดียวลำบากมากเลยนะเช่นไม่เคยนอนซ้ำที่เลยไม่บินสบาทซ้ำบ้านนะไม่อยู่ป่านะก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆคนที่ทำโมนยะปฏิปทาเนี่ยจะตายเร็วแต่ท่านทำท่านเป็นพระหาน ถ้าคนอื่นไปทำเนี่ยเราไปทำบ้าง น, นะกลายเป็นอาตานัตตากิลมัฏฐานโยคให้เราดูว่าทำอะไรแล้วสติสมาธิปัญญาเราเกิดเราทาอย่างนั้นแหละเราไม่ได้เอาที่ตัวข้อวัดเราจะเอาสติสมาธิปัญญาอพอสมควรนะวันนี้เราพ่อเลยสองงาน <c oughs> เอาให้ฟอนเราเลิกละ นั่งให้สบายนะสบายยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวามีวาอิโตทินั่งเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวาสมิจตุสัเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยะถาสภีตโยวิวัชฉันตูสพะโรโคยินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนสีลิสนิจจังุทธาปจจัยิโนจตาโรโธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระหลังหลวงพ่อ เ, พเห็นพวกเราเพอก็ดีใจนะพวกเราที่เนี่ยปฏิบัติกันเยอะปฏิบัติกันจริงๆนะดีใจด้วยดูดีขึ้นหนึ่งสละทน